เมื่อหนึ่งอสงไข่แสนกลับที่แล้วเนี่ยนะสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัศสีภะษารีบุตรของเรานั้นก็ได้เกิดในยุคนั้นนะนะยุคพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัตสีในที่สุดแห่งหนึ่งอสงไข่เศษอีกแสนกับนับถอยหลังตั้งแต่กลับนี้เป็นต้นไปภะษารีบบทนั้นได้เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาสารมีชื่อว่าสารธมรนพ หรืออีกชื่อหนึ่งว่าสุรุจิเนี่ยนะสุรุจิท่านพระมหาโมคคลานะเกิดแล้วในตระกูลครหบดีมหาสารมีชื่อว่าสเรวัตกุดุมพีคนทั้งสองก็เป็นสหายร่วมเล่นฝุ่นกันมาโอ้เป็นเพื่อนกันมาเป็นอสงไขยอสงไขยเลยนะีเนะีนะ่ยคบกันได้นานจริงๆเลยคบกันเป็นอสงไขยอสงไขย บรรดาคนสองคนนั้นสารทามานพพอบิดาล่วงลับดับชีพไปแล้วก็ครอบครองทรัพสมบัติเป็นของที่มีอยู่ประจําตระกูลสืบทอดกันมาอยู่มาวันหนึ่งก็นั่งในที่รับคิดขึ้นว่าความคิดของพระสารีบุตรเมื่อแสหนึ่งอสงไขยแสนกลับที่แล้วเนี่ยคล้ายๆกับท่านสุเมธบัณฑิตมากแต่ว่าไม่ได้คิดกว้างขวางเท่ากับสุเมธบัณฑิต ก็เลยมีความคิดว่าขึ้นชื่อว่าสัตว์เหล่านี้คือพ่อปู่เป็นต้นเนี่ยนะย่อมมีความตายเป็นที่สุดเป็นอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเราควรบวชแสวงหาโมระธรรมเถิดควรบวชเพื่อสแสวงหาธรรมเป็นที่พ้นจากความเกิดความตายเถิดคือวิโมกหรือโมกธรรมหรือวิโมกเนี่ยหมายถึงธรรมที่ทาให้พ้นจากความเกิดและความตาย ทำที่ทําให้รู้แล้วพ้นจากความเกิดความตายธรรมะนั้นคืออะไรเนอะแสวงหาเถอะพอคิดได้อย่างนี้ก็เข้าไปหาเพื่อนเสรวัฒนะกุฎุมีว่าเพื่อนเอ้ยเรานี่มีความประสงค์จากบวชท่านเล่าจากสามารถเพื่อจะบวชไหมเพื่อนบวชกันเถอะเนี่ยนะเพื่อนก็บอกว่าเราไม่สามารถจะบวชได้หรอกเนี่ยนะเพื่อนเราปฏิเสธแล้วเขาบอกบวชไม่ได้เนี่ยนะ ก็เลยบอกว่าตามใจเธอเราจะบวชคนเดียว น, น, นะนะก็เลยปรารพถึงกรรมมรัสกาเส้นทางของผู้เดียวที่ไปในสังสารวัฏเนี่ย น, นะก็เลยบวชก่อนที่จะบวชก็ใช้ให้คนใช้เปิดประตูเรือนคลังสำหรับเก็บรัตนะออกมาให้มหาทานแก่คนกาพร้าและคนเดินทางเป็นต้นเข้าไปยังเชิงมันพดบวชเป็นฤาษีพวกบุตรพรามประมาณเจ0 0 0พันคนก็พากันบวชตามสรารธมานุป แสดงว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพของคนจำนวนมากอยู่แล้วสราระธาุมานบนั้นบวชแล้วก็ทำอภิญญาห้าสมาบัตร8ให้เกิดขึ้นแล้วก็บอกการบริกรรมกสินหรือวิธีการเจริญสมถะให้แก่บริวารเชดินทั้งหมดเหล่านั้นที่เป็นบริวาร7 4 0 0สีพันก็ได้อภิญญาหสมาบัติ8 สมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมาทศสสีทรงอุบัติขึ้นในโลกทรงยังพระธรรมจักอันประเสริฐให้เป็นไปแล้วทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นจากโอะสงสารวันหนึ่งก็คิดว่าเราจะทำการสงเคราะห์ดาบทและพวกอันเตวาสิกพระองค์ก็ได้ไปเพื่อจะสงเคราะห์ดาบทเหล่านั้นซึ่งพระสารีบทเล่าถึงประวัติของท่าน เมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกลับให้ฟังว่าในการครั้งนั้นเนี่ยนะเราเป็นดาบทชื่อว่าสุรุจิเป็นดาบทผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดมีปกติเพ่งฌานยินดีในฌานทุกเมื่อบรรลุถึงฝั่งแห่งอภิญยาหและพะละหคือวสีทั้งหอยู่ในอสมที่สร้างเรียบร้อย อยู่ในป่าที่น่ารื่นรมอันเป็นป่าที่บริบูรณ์ไปด้วยใบไม้ไม้ดอกและไม้ผลทุกสิ่งสิทธ์ของเรานี่มี2 4 0 0ม่พัข้งก่อนบอกว่า 74%, นพัน่ลูกศิษย์ของเรานั้นเป็นพรามทั้งหมดผู้มีชาติมียศแต่ละคนนี่ชาติตระกูลก็สูงแสดงว่า 2.4,000 นีพันนีเป็นกลุ่มหัวหน้านะกลุ่มบริวารอีกต่างหากก็ ว, ว่าสิทธ์ชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนะ แต่ละท่านก็มีชาติมียศบำรุงเรามวลสิทธิ์ของเรานี้เป็นผู้ที่เข้าใจตัวบทเข้าใจวยากรเข้าใจในตำรา่ายลักษณะคำภีอิติหาสและคำพีนิคันดุกัมพีเกตุพระรู้จบไตพิษกระบวนวิชาของคนยุคนั้นบรรดาสิทธิ์ของเราเป็นผู้ฉลาดในลางดีรางร้ายในนิมิต ด, ดีนิมิตร้ายและในลักษณะทั้งหลาย สิทธิ์เหล่านั้นก็ศึกษาเป็นอย่างดีในพื้นดินและอากาศสิทธิ์เหล่านี้มีความปรารถนาน้อยมีปัญญาทานหนเดียวไม่โลภสันโดดด้วยลาบและความเสื่อมลาบสิทธิ์เหล่านั้นทุกท่านก็บำรุงเราทุกเมือ่อสิทธิ์ทั้งหมดเป็นผู้เพ่งฌานยินดีในฌานเป็นนักปราดมีจิตสงบตั้งมั่นปรารถนาความไม่มีกังวลบำรุงบำเรอเราทุกเมือ่อแปลว่ารับใช้เราทุกเมือ่อ เป็นผู้ถึงที่สุดแห่งอภิน ญ, ญายินดีในอารมณ์ที่เป็นโครจรของบิดาเที่ยวไปในอากาศแปล ว, ว่าเสร็ทิทุกหมดเหาะได้เป็นนักปราดบำุงเราได้คือสรุปว่ า, าท่านสุรุจิหรือศีหรือว่าสารธะหรือสีคนนี้เนี่ยนะมีบริวารที่เหาะเหินโดยอากาศได้หมดเลยเพราะตัวท่านเองก็เป็นผู้มีฤทธิ์บริวารก็เป็นผู้มีฤทธิ์ทั้งนั้นเนี่ยนะ แต่ที่แน่ๆว่าสิทธิ์บรรลุ ก, ก่อนอาจารย์เนี่ยน ะ, ะพูดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยถึงข้อปฏิบัติของสิทธิ์เหล่านี้เป็นผู้สมควรมีความเคารพในการแลกกันทุกท่านนี้เคารพกันมากเสียงไอเสียงจามของสิทธิ์ทั้ง 24,00 มก็ไม่มีท่านเหล่านี้ใช้ซ้อนเท้าเลื่อมเท้าเงียบเสียงสังวรดีทุกคนมีเงียบสงบเข้ามาไหวเราด้วยเสียงกล้าวเป็นผู้เพ่งชานยินดีในชาน เรานั้นถูกค้อมล้อมด้วยเศษเหล่านั้นผู้สงบประงับมีตะบะอยู่ในอาสมนั้นอาสมของเรานี่มีกลิ่นหอมด้วยกลิ่นสีนของฤาษีและด้วยกลิ่นสองอย่างคือกลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้เราไม่รู้สึกตลอดคืนและวันไม่ความไม่ยินดีไม่มีแก่เราไม่ว่าไม่รู้สึกเบื่อเลยเราสั่งสอนบรรดาสิทธิ์ของตนย่อมได้รับความร่าเริงอย่างยิ่ง เมื่อดอกไม้ทั้งหลายบานเมื่อผลไม้ทั้งหลายสุกกลิ่นหอมตลบอบอวลทาอาสมของเราให้งามเราออกจากสมาธิถือออกจากฌานแล้วมีความเพียรมีปัญญาเอาภาระคือหาบเข้าป่าไปสแสวงหาผลไม้ในครั้งนั้นเราศึกษาชํานาญในลางดีลางร้ายฝันดีฝันร้ายตําราทํานายลักษณะลักษณะมนกําลังเป็นไป เรว่าคัมภีร์มหาปริศลักษณะนี้เรียนจบมาหมดเห็นคนปับรู้เลยว่าคนนี้มันคือใครแค่ไหนอย่างไรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอนุมัตสีเป็นผู้ประเสริฐในโลกภะษารีบุร ท, ที่เป็นผู้มีปัญญาเนี่ยนะคือท่านชมพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวกับภะษารีบุรแล้วเรื่องชื่นชมพระพุทธกุลสรเสริญพระพุทธกุลเนี่ยไม่ต้องห่วงภาษารีบรจึงเล่า ว, ว่า พระอนมัตสีเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐในโลกเป็นนระผู้องค์อาจพระพุทธเจ้านั้นทรงใครกายวิเวกต้องการจะหลีกเร้นเพื่อเข้านิโรธสมาบัติพระอนมัตสีนั้นเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเข้าไปยังป่าหิมวันพระองค์ผู้เลิศเป็นมุนีผู้มีมโมนายธรรมประกอบด้วยกรุณามุ่งที่จะเปลื้องสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ เป็นบุรุษที่สูงสุดพระโนมทธสีเสด็จเข้าไปยังป่าหิมวันแล้วนั่งคูบลังเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งมีรัสมีสว่างจ้าหน้ารื่นรมใจเหมือนดอกบัวเขียวเห็นแล้วก็เลื่อมใสเลยนะเห็นแล้วก็สบายใจเลยทรงรุ่งเรืองพระองค์นั้นเป็นผู้ควรบูชาเหมือนดั่งกองไฟเราได้เห็นพระโลกกนายกพระผู้เป็นผู้นาของโลก ทรงรุ่งเรืองเหมือนดวงไฟก็คือดวงไฟที่แผ่รัศมีพุ่งออกจากกายเนี่ยนะเหมือนเห็นสายฟ้าในอากาศเช่นกับพญารังมีดอกบานสะพรั่งคือพระองค์เนี่ยต้นต้นไม้รังมีดอกบานสะพรั่งงดงามฉันใดพระพุทธเจ้าก็มีดอกคือมหาปริศลลักษณะ32อนุพยัญชนะ80บแบ่งบานฉะ น, นั้น เพราะอาศัยการได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐเป็นมหาวีระทรงธรรมที่สุดแห่งทุกข์เป็นมุนีนี้ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นะพระพุทธเจ้าผู้มีบุญเนี่ยเห็นแล้วก็พ้นทุกข์แล้วเห็นพระพุทธเจ้าก็สบายใจแล้วได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็พ้นวัตรทุกข์แล้วเนี่ยนะนะนผู้มีบุญได้พบได้เห็นพระพุทธเจ้าทั้งมีบุญแท้ ครั้นเราได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทวดาล่วงกว่าเทวดาเทวดายิ่งกว่าเทวดาหรือเป็นผู้ที่เทวดาบูชาแล้วก็ตรวจดูพัลลักษณะมหาปริศลักษณะว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่ตรวจดูรูปเพื่อจะอย่ังถึงพระพุทธคุณเนี่ยนะคือจะยอมรับพระคุณภายในหรือไม่ดูสํารวจตรวจตราดูรูปก่อน เพราะฉะนั้นเราจะตรวจดูพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระจักสุขเนี่ยนะมีตาหาประการเนี่ยนะเราได้เห็นจักมีก ร, รมพันหนึ่งที่ฟื้อที่พื้นฝ่าพระบาทลายพระบาทพุทธเจ้านี่มีจักมีมีลายจักเคยเห็นกล้อจักรยานไหมค่ะมีมีซี่เยอะแบบนั้นแต่ว่านี่มีพันซี่ครั้นได้เห็นพารลักษณะของพระองค์แล้วก็ถึงความตกลงในพระตถาคตวันนี้เป็น พระตถาคตผู้เสด็จมาเช่นกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเป็นแน่ผู้เสด็จไปเช่นกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นแน่ผู้ตรัสรู้ลักษณะอันทองแท้แน่นอนอ น, นะผู้มีแต่พระวาจาจริงแท้แน่นอนนะก็ตกลงใจว่าพระพุทธเจ้าแน่ในครั้งนั้นเราก็จับไม้กวาดกวาดที่นั่นแล้วก็ได้นําเอาดอกไม้มาแดดอกบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ไม่รู้ทำยังไงก็เด็ดดอกไม้ใกล้นนะบูชา8ดดอกก็ยังดีของเราก็แปลได้ว่าดอกคืออริยมรรคฝัอ ง, องนั่นนะนะนะแล้วแต่จะนับตัวเลขไปนี่นะคนะรั้นบูชาพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคะทั้ง4กามโมคะทิถุคะภะโวคะผู้ปราศจากอวิชชาสวะาวะา ม, มาสะวาทิฐาสะวาอวิชชาสะวะแลว้วก็ทําหนังเสือดาวเฉียงบ่าข้างหนึ่งนมัสการนอบน้อมพระผู้นําของโลกท่าโลกกนายก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีอาสวะพระองค์นั้นทรงอยู่ด้วยพระยานใดเราจักประกาศพระยานนั้นนะชมพระยานของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มียานอะไรบ้างท่านทั้งหลายจงฟังคำของเราเราจะกล่าวพระสยามภูผู้มีความเจริญมากที่สุดคำว่าเจริญที่สุดหมครับว่าในบรรดา พี่ชายใหญ่นะก็เหมือนกับเป็นพี่ชายที่เป็นหัวหน้าของชนทั้งหมดทรงถอนสัตว์โลกนี้แล้วคือถอนใจพรากจากโลกได้แล้วเหล่าสัตว์นั้นได้อาศัยการเห็นพระองค์ย่อมข้ามกระแสน้ำคือความสงสัยได้บาะว่าใครเห็นหน้าพระพุทธเจ้าก็ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่สงสัยในมรรคผลนิพพานไม่สงสัยในการตรัสรู้เป็นต้นเพราะอะไร เพรลักษณะของพระองค์เนี่ยบอกหมดทุกอย่างหมดเลยเนี่ยนะไม่รู้จะสงสัยอะไรวะงั้นเห็นพระองค์ก็ห้าข้ามความสงสัยในอดีตสงสัยในอนาคตข้ามความสงสัยในทั้งอดีตอนาคตเข้าใจเลยว่าพระองค์ต้องตรัสรู้ทำเด็มที่พ้นทุกแน่พระองค์นั้นเป็นศาสดาเป็นหัวหน้าพาสัตวข้ามจากวัตะเป็นยอดเป็นธงชัยเป็นหลักเป็นร่มเงาเป็นที่พึ่งเป็นประทีปสองทาง พระองค์เป็นผู้ที่ศาสต์ส่องให้เห็นอริยมรรคพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าของสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นยกย่องถึงว่าภาวะของพระองค์นั้นเป็นเช่นใดในภาษาริบุตรเมื่อจะชมเชยเนี่ยนะสารธามานพหรือว่าสุรุจิฤีศีเนี่ยเมื่อจะสรนเสริญโดยการเปรียบเทียบว่าน้ําในมหาสมุทรน้ําทะเลเนี่ยนะอาจจะประมาณได้ด้วยมาตราตรวงน้ําทะเลนี่คํานวณได้ใช่ไหม ว่ามันกี่ลูกบาศกตารางกิโลเมตรคำนวณได้นไะว่ามีกี่ลูกบาศกตารางไม่เนี่ยนะวัดเบ็ดเสร็จสรุปว่าคำนวณได้แต่ใครๆไม่อาจจะประมาณพระสัพพัญญุตยานของพระองค์ได้เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นถ้าอย่างน้ําทะเลใช่ไหมถ้าเราจะคํานวณ น, น้ําทะเลว่ามันลึกเข้าไปเท่าไหร่แล้วรัศมีส่วนกว้างเท่าไหร่วัดหน้าวัดหลังวัดซ้ายวัดขวาเอาลูกบาศกกิโลเมตรมาตั้งก็คํานวณก็รู้แล้วว่าน้ําทะเลมีเท่าไหร่ แต่พระพุทธเจ้าไม่รู้จะเอาอะไรมาตั้งว่าจะวัดเอาพระยานเนี่ยไม่รู้จะเอาหาขอบเขตที่ไหนมาแล้วจะได้วัดว่าเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเอาแผ่นดินแผ่นดินนะเอาดินมังแผ่นดินทั้งหมดถ้ามาช่างดูแล้วอาจจะประมาณได้แต่ใครใครไม่อาจจะประมาณพระสัพพัญยุตยานของพระองค์ได้เลยสมุ่าแผ่นอย่างแผ่นดินใช่ไหมถ้า ดินเนี่ยลึกเข้าไปเท่าไหร่และกว้างเท่าไหร่ก็มีการคํานวณตราตรวงดูก็รู้แล้วว่าอย่างโลกนี่มีเส้นพาศูนย์กลางเท่าไหร่เนี่ยนะก็คํานวณปุ๊บจะรู้แล้วว่าโลกนี่แผ่นดินนี้ควรจะหนาเท่าไหร่วิทยาศาสตร์ก็คํานวณได้หมดนะงั้นแต่ว่าสัพพัญญุตญาณก็ไม่รู้จะเอาหลักอะไรไปคํานวณว่าพราะองค์มีเท่านี้อย่างนี้ไม่รู้จะคานวณกันว่ายอย่างไรอันนี้อากาศบ้างน้ํนนาดินอากาศอากาศว่าอาจจะวัดอากาศได้ด้วยเชือกหรือนิ้วมือ แต่ใครๆไม่อาจจะประมาณพระสัพพัญยุตยานของพระองค์ได้เลยไม่รู้ประมาณยังไงในพระยานของพระพุทธเจ้าพึงประมาณลำน้ำในมหาสมุทรพึงประมาณแผ่นดินทั้งหมดได้แต่จะถือเอาพระพุทธยานมาประมาณนั้นไม่ควรเพราะพระพุทธเจ้ า, าเป็นผู้มีพระคุณ หาประมาณไม่ได้เนี่ยนะอย่าเอาพระองค์มาวัดมาเปรียบมาอะไรกับอย่างอื่นเลยเอาไว้กราบเอาไว้บูชาเอาไว้สักการะเอาไว้นับถือเอาไว้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าเธอวังนั้นไม่ต้องไปคำนวณไม่ต้องเอาอะไรไปวัดหรอกไม่ต้องไปเปรียบอะไรกับพระองค์ซากอย่างข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุจิตของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมเป็นไปสัตว์เหล่านี้เข้าไปในข่ายคือพระยานของพระองค์ คือทุกคนเนี่ยนะทุกคนเนี่ยปรารถนาที่จะเห็นพระพุทธเจ้าใช่หมทุกคนเนี่ยต้องการเห็นพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้ารบรู้สัตว์ทุกคนทั้งหมดเลยแต่ละคนเนี่ยแค่ไหนและอย่างไรเพราะพระองค์อย่างรู้อดี ต, ตไม่มีสุดอนาคตไม่มีสุดสัตว์ทั้งหลายมีจริตมีอธิมุตมีอัธยาศัยมีอนุัยเป็นอย่างไรพระองค์รอบรู้เขาทั้งหมดข้าแต่พระองค์ผูด พระองค์นั้นทรงบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดสิ้นเชิงด้วยพระญาณใดญาณที่ทําให้พระองค์ตรัสรู้สูงสุดนะ่ะพระสัพพัญญูก็ทรงย่ำยีเดียรถีทั้งหลายด้วยพระญาณ น, นั้นด้วยอรหัตตมัคคายานด้วยสัพพัญยุตยานอาศัยอนุภาพของอรหัตตมัคคายานสัพพัญยุตยาน พระองค์ก็ปราบปรามเหล่าลัทธิทั้งหลายเนี่ยนะเจ้าลัทธิที่นําไปสู่อบายทุกขติวินิบากพระองค์ก็จําแนกแจกแจงสระสางเพื่อลดละมานะทิฐิเหล่านั้นท่านสุรุจิดาบทกล่าวชมเชยด้วยคาถาเหล่านี้นะชมเชยคิดง่ายๆว่าชมเชยด้วยอะไรหนึ่งด้วยน้ําด้วยดินด้วยอากาศและด้วยปัญญาที่สามารถทําลายข่ายมิจฉาทิฐิ จริงๆทั้งที่สุรุจิดาบทนั้นถือว่าอยู่คนนอกาศาสนานนในตอนนั้นแต่พอเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโหตำหนิสายลทัทธิอื่นนอกจากพระพุทธาศาสนาหมดเลยหลังจากที่สุรุจิดาบทชมเสร็จแล้วก็ปูราดหนังเสือบนแผ่นดินแล้วก็นั่งอยู่เสร็จแล้วก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าบัดนี้ขุนเขาสูงสุดอย่างลงในสู่ห่วงมหานพ 8400, พนย นคุณเขาสินเนรุเนี่ยหรือภูเขาเมรุมากเนี่ยย่งลงในทะเลเนี่ยแพันยอดคุณเขาซินเนรุทั้งด้านยาวและด้านกว้างสูงสุดก็เพียงนั้นถ้าจะสูงขึ้นไปอีกก็ 8.4 0 0 0ืพันโยกวัดโดยส่วนยาวกว้างก็ 8.4 0 0 0โยชพันยอดทำให้ละเอียดได้ด้วยประเภทการนับว่าแสนโกด เมื่อตั้งเครื่องหมายเอาไว้ก็พึงถึงความสิ้นไปภูเขาที่มันใหญ่ขนาดนี้นะถ้าค่อยๆเอาทีละนิดตั้งเครื่องคำนวณแล้วคำนวณออกไปได้หมดไม่มีเหลือแต่ใครๆไม่อาจประมาณพระสัพพัญยุตยานของพระองค์ได้เลยนะบอกว่าปัญญาของพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดบอกว่าขนาดภูเขาซีเนรุที่สูงยาวกว้างลึกนะเส้นภาศูนย์กลางอย่างไรเอาเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องคานวณคานวณได้หมดอะ วิจัยได้อย่างละเอียดละออได้ทั้งหมดแต่พระสัพพัญยุตยานของพระองค์ทำไม่ได้เลยผู้ใดพึงเอาขายตะข่ายเล็กๆ ล, ล้อมน้ำเอาไว้สัตว์น้ำบางเหล่าพึงเข้าไปภายในข่นั้นน่ะข้าแต่พระมหาวีระเดรธีผู้มีกิเลสหนาะบางพวกก็เช่นนั้นเล่นไปถือเอาแต่ทิฏฐิ ท, ที่ผิดเป็นมิจฉาทิฐิเห็นตรงกันข้ามกับอริยสัจ หลงอยู่ด้วยการรูปคลำเดรถีเหล่านั้นเข้าไปในข่ายด้วยพระยานอันบริสุทธิ์อันแสดงว่าไม่มีอะไรห้ามได้อนาวรณายานรู้อย่างไม่มีอะไรขัดอะไรขวางของพระองค์เดรถีเหล่านั้นเนี่ยไม่ล่วงพระยานของพระองค์ไปได้เลยนะคือพระองค์รอบรู้ทั้งหมดเหมือนไนเหมือนเอาตาข่ายสมมติถ้าเป็นบ่อน้าเล็กๆ เ, เนี่ยนะถ้าใครเคยทปาปนาติบาจะนึกออกไม่ยาก ถือสมมติมันมีบอ่อน้ําเล็กๆแองน้ําเล็กๆสักแองหนึ่งเนี่ยนะเอาตาข่ายตาทีทีในทียิบเลยแหละเนี่ยนะแล้วก็ไปตักเอมามาจะสัตว์แทบนี้ย น, น่ะแทบจะหมดฉั้นในพระสัพพายุตยานของพระองค์เนี่ยเหมือนกับว่ามันตวงลัทธิทิฐิเหล่านั้นได้ทั้งหมดคล้ายกันฉันนั้นก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมาทะเซผู้มียศใหญ่ทรงชำนะกิเลสเสด็จออกจากสมาธิแล้วทรงตรวจดูทิศ อักครสาวกนามว่านิสพระของพระมุนีพระนามว่าอนุมัตสีทรงทราบ พ, พระดาริของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วอันพระขี่นาศพหนึ่งแสผู้มีจิตสงบระงับมั่นคงบริสุทธิ์สะอาดได้อภินญาหกผู้คงที่คุณธรรมของพระาทหา์ น, นั่นเองพระาทหารเหล่านั้นเวทล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นายกของโลกท่านเหล่านั้นอยู่บนอากาศพระารหารเหาะมางั้นเถอะ ได้กระทาประทักษิณเวียนขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลงประนอมอัญเชลนีนมาส ก, การอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้า